คำว่าโมคะก็หมายความว่าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ยิ่งคำวัรดาท่านพุทธบริษัทที่สมาทานไปกรรมฐานแล้วจึงน้อมนำอจจริยาขององค์สมเด็จพระบพิีแก้วมาปฏิบัติถ้าว่าเราจะฝึกฝนในความดีที่องค์สมเด็จพระินท ศ, ศีสอนแต่ว่าเราจะนั่งรับฟังอย่างเดียว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 กายเขาก็สุกปรกในเมื่อกายมันสุกปรกกายเราสุกภรคกายเขาสุกภรกทำไมเรายังจะพอใจความสุปกปโรคตัวอีกหรือตรงนี้จงใช้ปัญญาของท่านพิจารณาดูไ้ของสุกรกอย่างนี้เราควรจะอามไว้ต่อไปไหมเราควรจะมีต่อไปไหม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 ตอนนี้นิพิทายานมันจะเกิดคือนิพิทานในด้านสมถภาวนามันจะเกิดการรังเกียจ ร, ร่างกายเราเองด้วยและก็ร่างกายบุคคลอื่นด้วยอันนี้ถูกต้องถ้าเรารังเกียดนี่ถูกต้องแต่ ว, ว่าความรังเกียจในด้านของนิพิทายานคําว่านิพิทายานนี่เรียกว่าความเบื่อหน่าย มันเกิดขึ้นมามากๆถ้าเราไม่ใช้สังขารกรปีขาญาณมันก็จะกลายเป็นอตตานิบาตกรรมอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระสมัมมา ส, สัมพุทธเจ้าทรงพระชน์อยู่ <c oughs> เวลานั้นพระดิศึกษาจากองค์สมเด็จพระบรมครูมีความเวือนหน่ายจ้างปริพาชกฆ่ขขาตนด้วยบริขาร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 ก่อนที่จะได้กินต้องหาก็ต้องหาทุกสิง่งทุกอย่างถือว่าทำตามหน้าที่ต่ร่างกายอับรีที่สร้างความเล่าร้อนฟางสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจและมันเองก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอย่างนี้คิดเราก็คิดไว้ว่าก่อนจะเกิดเรามันโง่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 เมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่สายเกินไปจับอารมณ์นั้นไว้ให้ทรงกําลังใจถ้าตอนเช้าไม่กําลังใจทรงมากเท่าใหวันทั้งวันอารมณ์ใจเขาก็ยัง ม, มีความสุขและผลนี่เพึงได้ก็คืออริยมมรรยาผลตามที่องค์สมเด็จพระทสผลโรมัสสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงต g ัดและต่อที่นี่ไปขา้ามบรรดาท่านพระตบริษัทตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่น